ภิกษุไม่พึงเพ่งดูองค์กําเนิดมาตูวคามภิกษุใดเพ่งดูภิกษุนั้นต้องอบัดทุกกดวงเล็บเรื่องที่4ี่สิ